มเมล็ดพืชมเมล็ดพันธุ์อาศัยข้าไถหปุ๋ยแรงงานเขายัางทำได้ได้เงินไท้ทองเป็นเหมือนเป็นแสนผลใสรถใสเรือไปขายได้อยู่ได้กินเราที่ไม่ลำบากเหมือนอย่างนั้นนั่งอยู่ในกติของตนของตนเดินจงกรมอยู่ข้างกติ จเจริญสติได้ไม่ต้องไปซื้อดินหานา้มหาคันธาตุคันไถที่ไหนอาศัยศรัทธาอาศัยสติอาศัยความเพียรอาศัยกายอาศัยใจที่มีอยู่นี่ามาผิดให้เกิดความรู้สึกตัวนี่คืองานของเราแค่นี้ก็ยังแกว่ายากทำไม่ได้ มันเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าคิดว่าจเจริญสติไม่ได้นะเต็มที่แล้วชีวิตของเราหาไม่พบชีวิตของเราที่จะหาได้ต้องหาได้แบบนี้แหละถ้าไม่เช่นนั้ น, นมาราก็เกิดมาฟรีๆตายไปฟรีๆเก็บฟรีๆแก่ฟรีๆความเกิดความแก่ความเก็บความตายเอาไปกินหมดความโลภความโกรธความหลงเอาไปกินหมด ครับใช่สิโลนั้นเป็นคียค่าเป็นธาตุของสิงเลนั้นไม่มีประโยชน์อะไรพวกเราจึงมาศึกษาจเจริญสติมันก็ได้ใช้ทันทีไม่เหมือนชาวไร่ชาวนาต้องเสี่ยงเสี่ยงกับแล้งบ้างเสี่ยงกับท่วมบ้างเสี่ยงกับไอพืชต่างๆราคาก็อยู่กับตลาดที่เขาจะให้เท่าไหร่ห่านั้นยังเสี่ยง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 ต้นพืชที่ฝังไว้ในดินก็พัฒนาเกิดรากเกิดลำต้นเกิดดอกออกผลมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติเรวนาได้เอาต้นกลาก้าฝังลงในแปลงนาที่คาดที่ไถไถน้ําเข้าเปิดน้ําออกข้าวของเขาก็ ง, งอกก็งามเกิดดอกออกขนได้อยู่ได้กินได้เลือดได้เนื้อได้ชีวิตได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดความสะดวกกับการใช้ชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเรามีสติลงไปที่กาย ผ, ผลของเราคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเป็นมรรคเป็นผลเกิดขึ้นที่นี่ไม่ต้องไปที่ไหนหามรรคหาผลกับครูบาอาจารย์หามรรคหาผลกับวัดโน่นอาจารย์โน่นอาจารย์นี่ท่านจะได้เป็นพระ ด, ดีได้บุญกับท่านได้กุศลจากท่านมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก หานอกตัวทําไมให้ป่วยกันดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเขาไปให้กายในชีวิตจิตใจเรานี่กายอนุก่องศอกยาววานเาคืบชีวิตเราเป็นๆอยู่เนี่ยทําดีได้แล้วความชั่วได้เอามาใช้เอามาสร้างให้เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวอยู่กับกายก็ใช้ได้เกี่ยวกับกายได้อันนี้สงทันทีอะไรที่มันเกิดขึ้น มันไม่ใช่กายธรรมดามันเห็นมันเกิดปัญญาตรงนี้ด้วยมันเกิดมากตรงนี้ด้วยมันเกิดผลที่ตรงนี้ด้วยกายไม่ทำความชั่วกายทำควาดีได้จริงๆิงกายไม่ทำความชั่วอย่างเดียวก็เกิดมากเกิดผลเรียกว่ากายสุดเฉลิบกายทำความดีเาก็เกิดมากเกิดผลไปทำความดีเยอะแยะไปช่วยคนไปปลูกต้นไม้ไป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 ทองบ้านทองเรือนพองครอบครัวทองคนพองงานงานตรงไหนที่มันจุดอ่อนเราทำแล้ววัตถุอุปกรณ์ตรงไหนที่มันจะสูญเสียเราทำแล้วเหมือนพวกเรากู้กติกู้ศาลากู้สะพ า, านมันก็ดีขึ้นมาทีงเก่งศาลาหลังที่เรานั่งอยู่นี่ชื่อว่าฮอรไตเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็เป็นที่อยู่ของปลวก ให้อยู่ของปลวกแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ตั้งอยู่บนหลังเขาโน้นปีหนึ่งจะมีคนไปพักไม่มากปลวกอยู่เซะเป็นส่วนใหญ่เราก็กู้ลงมาใช้ได้แล้วไปมาตั้งไว้ตรงนั้นได้ใช้ทุกวี่ทุกวันมันก็ซึ่งใจที่เราได้สิ่งที่ทำได้แก้สิ่งที่มันจะเสียหายทําให้มันดีขึ้นมาสาลาน้ามที่มันเป็นอันตราย มันจะลมมันเซมันสุดเราขุดสะน้าจะไม่แต่น้า ม, มีแล้วมันไม่ ม, มีโอกาสที่จะแห้งคิดว่าอย่างนั้นเราได้กู้แล้วทันเวลาทันเวลาได้ใส่เสาใหม่ได้ยึดไหม่ได้ดึงขึ้นใหม่ยกขึ้นใหม่ตึ๊บตงไหวโอยมันซึ้งใจ ซึ่งใจในสิ่งที่เราทามันจะเสียหายให้มันเกิดดีขึ้นมาที่เราเอาดินมาถมกติจารกพลน้ำไหลหลากลงไปตนลงไปสะงูไปหมดเลยน้ำไหลหลากลงไปตนลงไปพังลงไปขอบสะพังลงไปพวกเราได้เห็นโอ้ตรงนี้มันเป็นจุดดอนเอาดินมาถมเป็นเคานคูอุ้ยตึบ๊บ ลงปมูมันซึ่งใจไม่มีทางที่จะพังจะไหลลงไปนั่นเองเปลี่ยนให้มันไหลเข้าไปทอ่อเป็นที่เป็นทางอะไรอะไรที่มันจะเสียหายเราได้ทํำกายของเราใจของเราเนี่ยจะให้มันพังมันเพมันสุดอยู่ตลอดมันจะมีประโยชน์อะไร ท, ทั้งที่อยู่กับเราเราไม่ช่วยเราไม่แก่ยังหลงอยู่ยังทุกข์อยู่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 การมาเจริญสติอย่าไปฟังเสียงอะไรมาฟังเสียงตัวเองเสียงมันเกิดขึ้นที่กายที่ใจแล้วมันก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีลูกมีรสมีกลิ่นมีเสียงมันจะเกิดตรงนี้โลกมันจะมีรสชาติตรงนี้หลงก็หลงตรงนี้โอ้ถ้ามีสติแล้วโอ้ยฮะมันตึ๊บลงไปตึ๊บลงไปโยนลงไป ตรงไหนมันจุดอ่อนสร้างให้เกิดความเข้มแข็งตรงไหนมันจะเสียหายป ร, ปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดความดีจเจริญสติซ่อมแซมชีวิตเราเหมือนกับลถมือสองปูกบัวผูกช่อมถูกหลงถูกโกรธมากซ่อมลงไปเข้าอู่มีสตินั่งยกมือสร้างจะว่ามันดีไปเรื่อยๆนะลู่ที่ไกลลู้ที่ไกลไปนําแล้วมันก็มีงานมีการ เรียนรู้ไปเรื่อยๆ เ, เรียนรู้เกี่ยวกับกายกับใจไปเรื่อยๆไอ้เรียนรู้เกี่ยวกับกายกับใจเนี่ยมันศาสตร์แต่ต่างหากพระพุทธเจ้าของเรามาพบตรงนี้อะไรที่เรียกว่าปัญญาอันที่เป็นปัญญายอดของปัญญาคือปัญญาพุทธะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราถ้ามันจบตรงนี้อะไรก็ง่ายไปเลยบัดนี้นะหมาะแก่การงานสนุกทา ง, งานนะ เขาค่อยจับด้ามจอบมาสองสามวันหน อ, อ้สนุกฝนตกเมื่อวานนี่ชอบดีสุดเลยปล่อยผ้าอังสาขดจอบโอ้เขาก็ทําได้ยืนทํางานถือว่าทั้งวันก็ได้เมื่อวานแข่งผลทําไม่มีแสงแดดโอ้ดีมันก็ทําสนุกสนุกไม่ใช่เป็นทุกขการทํางานทานําการไม่ใช่เป็นทุกการช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนอื่นสิ่งอื่นว่าถุอื่ น, นไม่ใช่เป็นทุก มันเป็นงานชอบมันเป็นสมมาทิฏฐิเพราะนั้นนี่จะไปกลัวอะไรว่าแต่เรามารู้เรื่องกายเรื่องใจของเรามันก็จจายไปหมดเลยกายแค่นี่ใจก็นี่แค่นี่แต่มันจะเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งเราจึงมาสร้างตัวน้นอย่าเพึงไปหลงไปอะไรที่ไหนมากมายหันมามองตอนเอง วันหนึ่งวันหนึ่งมีสายตาก็มองกับเข้ามาหาตัวเองมีหูก็ฟังเสียงตัวเองมีกายมีจิตก็ดูตัวเองช่วยตัวเองรักตัวเองแก้ไขตัวเองจงเตือนตนด้วยตนเองจงแก้ไขตนด้วยตนเองจงมีสติรู้สึกสตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวสวรรค์ทั้งหมดสติรู้สึกตัวเป็นยอดของสวรรค์ทั้งหมด รู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ว่าต้องสร้างนะถ้าไมสร้างมันก็ไม่ได้นะไม่ได้นะต้องสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาอมหน้า้มตาามสนุกสนุกอย่าไปอยากการเจริญสติไม่เกี่ยวกับความอยากการเจริญสติไม่เกี่ยวกับเหตุกับผลการเจริญสติไม่เกี่ยวกับผิดกับถูกเหนือไปเลยถูกก็เห็นผิดก็เหน็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็ น, กกห น, กกหนมันจะแสดงออกมาตรงไหนตรงไหนแบบไหนฉากไหน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 เราเห็นแล้วนะพุทธะเกิดขึ้นบนของกองทุกทถ้าไม่มีทุกเป็นพุทธะไม่ได้ผู้ลู้ผู้ตื่นตื่นหมดนี่แหละตื่นทุกตื่นหลงตื่นโกรธแค่นี้เองการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีสติจะไม่ตื่นนะเงียบไปเลยหลงก็เงียบเขาไปอยู่ในความหลงทุกก็เงียบก็ไปอยู่ในความทุกเโกรธก็เงียบก็ไปอยู่ในความโกรธ ไม่ทักท้วงไม่ดูแลไม่ตรวจสอบยอมจำนวนทุกเรื่องไปถ้าหลงนะถ้าไม่หลงเนี่ยโอยไม่จำนวนมันต้องเป็นอิสระมันต้องเป็นอิสระภาพชีวิตเราธรรมมาธิปไต่ความถูกต้องมันมีความหลงไม่ถูกต้องความรู้ถูกต้องกว่าความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธ ถ, ถูกต้องกว่าเนี่ยสิทธิธรรมมาทิปไต่ ทำเป็นใหญ่ทำเป็นใหญ่ในตัวเราเมื่อทุกคนมือทำเป็นใหญ่ในชีวิตเรามันก็กระจต้องเป็นทำเป็นใหญ่ต่อโลกธรรมมาเทปเตยยะปลาลบทำเป็นใหญ่โลกาเทปเตยยะปลาลบโลกเป็นใหญ่อัตตาเทปเตยยะปลาลบตนเป็นใหญ่ไม่ถูกต้องการปลาลบตนเป็นใหญ่ถูกบ้างแต่ไม่ถูกเสมอโลกาเทปเตยยะ ปลาลบโลกเป็นใหญ่ถูกต้องแต่ไม่ถูกเส ม, เมอไปแต่ว่าธรรมมาทิปไตยยะเป็นใหญ่ขำ ท, ที่ถูกต้องที่เรามาสร้างตัวเองกันทุกชีวิตต้องมาสร้างตัวนี้เริ่มต้นจุดนี้กันเริ่มต้นก่อไว้ข อ, อความรู้สึกตัวที่กายอย่างพูดแล้วพูดอีกเห็นกายจนกายหลอกมาได้ขี้หนะ้า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 กู้ได้กู้ได้เคยจมลงไปในกิจที่มันคิดตัวนี้ก็สําคัญหอบหิ้วไปเราไปเท่าไร่เท่าไหร่มันหิ้วเราไปคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ดไไดปัดทูพอมามีสติแล้วทูไอ้เจ้าความคิดเจ้าสังขารเจ้าสมุทยัยเจ้าสังขารหิ้วเราไปคิดอย่างเดียวไปแปดรอย หลายอย่างคิดอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นมากมายนับไม่ท้วนเกิดชิเลตตัณหาเกิดความรักความชังเกิดความโลภความโกรธความหลงหิ้วเราไปเราไม่รู้เราไม่เห็นเรามางคั่วตออ่อเนกขึ้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวค่อยยึดไปค่อยยึดไปความรู้สึกตัวกระจายอํานาจไปยืดพื้นที่ มันนักลบที่เขาไปลบยึดพื้นที่ยึดพื้นที่ยึด <ห roid S 1> พ, พื้นที่ไปชอบธรรมชอบธรรมเกิดขึ้นอยู่บนกายความชอบธรรมเกิดขึ้นอยู่บนเวทนาความชอบธรรมเกิดขึ้นอยู่บน จ, จิตใจเมื่อมีความชอบธรรมเกิดขึ้นตรงนี้แล้วความชอบธรรมเกิดขึ้นที่ทำเลือกเป็นระเวียบกุศลหรือกุศล อกุศลละกุศลสร้างให้มีให้เกิดอยู่ตรงไหนอยู่กับกายกับใจเห็นไหมง่วงเหงาหนอนหลังเลสงสัยพยาบาทเทนะมิทะอกุศลพยาบาทบางทีมันเกิดขึ้นมานะการมาลาข้าก็เกิดขึ้นเป็นอกุศลเป็นอกุศลละมีสติเข้าไปไม่ได้แดอก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 มันทุกข์อยู่ก็หยุด่อยมันหัวเราะลองให้อยู่ก็หยุดได้ถ้าพิกมือรู้สึกตัวหายใจอยู่รู้สึกตัวคนโบราณขนสอนกันมันโกรธหรือจะด่ากันเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกสักสิบรอบจึงค่อยด่ากันมันด่าไม่ได้ถ้าหายใจเข้าหายใจออกสิบรอบนะความโกรธมันไม่มีตัวไม่ตน มันไม่ใช่ตัวใช่ตนความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนพระราบาทก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนการาลคะก็ไม่ใช่ตัวใช่ตน้นเราดูดีมันก็หายใจเข้าไม่ต้องไปวิ่งไปตามมันอาคูโกรต้องไปตามันไม่ใช่หายใจเข้าพิกมือสร้างจังวะนี่เรียกว่ากลับปฏิบัติคือกลับปฏิบัติคือกลับคือกลับมากลับมาลู่สึกตัวกลับมาลู่สึกตัว เอาวัดสดุอุปกรณ์ที่มันมีอยู่นี่ใช่ไม่ต้องไปหาที่ไหนเหมือนเราศึกษาวิธีอื่นการศึกษาวิธีอื่นต้องไปดูไปทัศนะศึกษาไปเอาเครื่องมือมาศึกษาอะไรต่างๆอันนั้นก็ใช่อยู่อ๋อใช่ๆช่ยอยู่เอาจริงๆตัวนี้ที่ช่วยเราช่วยชีวิตคือตัวนี้ช่วยชีวิตของเราที่ได้ชีวิตความหลงไม่ใช่ชีวิตความรู้คือชีวิต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 เรื่องหนึ่งต่างหชีวิตมันไม่มีอะไรมันไม่มีเกิดไม่มีแก็บไม่มีเก็บมีตายคือมันไม่เป็นอะไรชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรกับอะไรทำไมจึงไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะมันรู้สึกเพราะมันรู้สึกมันเห็นทุกเรื่องเห็นหมดในเรื่องของกายของใจ 84% ดหมพอย่างรู้ความรู้สึกตัวไปเปิดไปเผย ด, ดูหมดแล้วเข้าแถวมอให้ดูหมด ไม่มีตรงไหนลี้ลับผมรู้สึกตัวนะเป็นตาทิพเป็นตาภายในนะรู้สึกรู้สึกนี่อย่ามัวลังเลกันอยูนะ่พวกเราก็ยังไม่จะดวกหลายอย่างความยากลำบากอาจจะทำให้เราเข้มแข็งต่อสู้อย่าโทษทิ้งอย่าโทษแท้อย่าดถา ด, าดถอย บางทีน้ําก็เน่าบางทีน้ําก็เหม็นบางทีน้ําก็ไม่มีบางทียุงก็เยอะบางทีก็ไม่มียุงไม่ยากที่รำของเราพอมชั่วโมงเดียวมายืนอยู่รอกุณจยุงกิเปิดหนีไปเลยเออสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหววัดนี่ยุงเยอะวัดนี้ยุงเยอะอางูบางทีมันก็มีเป็นครั้งเป็นคราวบางทีได้กลิ่นใหม่ๆนะ ได้กลิ่นใหม่ๆมันก็ชอบนะยุงอย่างเราไปอยู่ในป่านะไปนั่งอยู่ในป่ามันได้กลิ่นใหม่มันบินเข้ามากัดบินเข้ามากัดให้ทนเชีหน่อยดูสิเอาไปเอามาเอาไปเอามาเอาไปมามันก็ไม่ตอบไม่กัดเหมือนกันนะมันได้กลิ่นเรานั่งเจริญสติอยู่ในป่ายุงที่แรกมก็ลุมใส่เหมือนกันนะพอนั่งไปนั่งไปนานๆมันก็ไม่เคยกัดนะไม่หลุม เพื่อนเดินมาหาพอเพื่อนเดินมายุงรุมใส่กัวไปเนี่อ ย, ยอุ้ยยุงกันย่อมเท่าตุบตับเฮเวบัดบัอูอ้คนนั่งอยู่นี่ทำไมยุงมากัดเอามันได้กลิ่นมันลืมไปแล้วท่านมาใหม่มันได้กลิ่นใหม่มาเลยตื่นเต้นมาเลยมาตอมมากัดมันเป็นอย่างนั้นก็ได้ยุงนะแม่แต่งูแม่แต่เก้งแต่กวางได้ได้กลิ่นใหม่ๆนี่มันก็ตื่นนะ งูจงอางนี่ถ้ากลิ่นเล่ากลินบุหรี่ระวังนะชูคอขู่เลยเออถ้ากลิ่นเขาเราถ้าอยู่ไปอยู่ไปมันก็คูณญาติทำมาพอมานั่งมายืนอยู่เราอาศัยกุญแจเข้าห้องไม่ได้ยืนโยงกัดเวลานั่นเป็นเวลายุงพอดีพบข่ํามันก็มีเป็นบางเป็นบางเลือกนะเลือกมันก็มีนะลือกอบอ้าบ้างโยงก็ดุงูก็อยู่ก็ดุ ถ้าอากาศไม่อบอา้ามันก็ไม่เป็นไรคนโบราณเขาว่าถ้ายงสุกสนมากๆกัด ม, มากๆฝนอาจจะตกมันมีดีหรืออบอ้ามากๆเห็ดอาจจะออกมันก็มีดีหลายๆอย่างยุงก็ดุงูก็ดุเวลาไหนที่อบเอ้ามากๆไปเอาพึ่งเลี้ยงพึ่งพึ่งกัดนะเพราะใจมันไม่ดีมันอบอา้าเหมือนกับคนเราเนี่แหละไม่มีศินม่ทำอากาศก็ ชีวิตของเราก็เป็นไปตามเสียงเวรล้อนเหมือนกันความร้อนอู้ทุกความหนาวอู้ทุกความหิวก็อู้ทุกความยากอู้ทุกทุกเลยถ้าไม่มีสติถ้ามีสติมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นแบบนั้นนะถ้ารู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติว่าแต่เราเริ่มสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัว เอาไปก่อนเอาไปก่อนอย่าฟังเสียงอะไรอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาอย่าไปดูอะไรเอาผิดเอาถูกกับอะไรเอายากอาง่ายกับอะไรเอาความยากของไม้ไม่มีปัญหาสาหรับเรานะรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปรู้สึกไปวันนี้คนมันตกลงมาก็คิดถึงต้นยางงามงามต้นประดูงามงามต้นแดงงามงามอยากจะไปปลูกซ่อมบนหลังเขา อ้าใครอยากจะปลูกก็เน้นมนไปตอนบ่ายๆสักชั่วโมงสองชั่วโมงขนรถต้นสองต้นดีไหมทวีดีเนาะเออตอนบ่ายๆให้ให้จานหัวนขนตอนไม้ขึ้นไปวางไว้วางไว้วางไว้วางก็ขุดหลุมขุดหลุมลึกๆต้นใหญ่จะยกไหวหรือเปล่าพวกเรานะสามกิโลเขว่ายกไหวมันไหวอ ย, อยู่นะแต่ว่าไหวแบบ ไหวไม่เอาไหวแบบไม่กระทบกระเทือนไม่เบ้าไม่แตกนะเบ้าไม่แตกเวลาถอดถุงออกเกเบ้ามันอย่าให้เบ้ามันแตกย่อนลงไปในหลุมอย่าให้เบ้ามันแตกนี่ไหวแบบนี้นะไม่ใช่แบบอุ้ยฉันยกได้สองสามกิโลไม่ใช่เขาว่าไหวเนี่ยคือไม่ให้ถัดกระทบกระเทือนปลูกให้สาเร็จเห็นฝนตกลงมาก็จิตถึงต้นกลา้าต้นไม้ที่เราเอามาไววตรงนี้ ให้มันจเจริญเติบโตไปตามปีตามเดือนก็งมันนี่ก็คิดว่าวันนี้นะจะปลูกต้นไม้สักรอบหนึ่งเอาจะไปเอาคนงานมาจากป่านหนองแวงสิบคนแล้วพวกเราก็เสริมเข้าไปเนาะเออสุขไทยก็ลงมาที่ต้นไม้เนาะก็ปลูกต้นไม้บ้างปลูกสติบ้างปลูกความรู้สึกตัวบ้างไปพร้อมกัน ปฏิบัติทำบางช่วยคนอื่นมาโอ้ยฉันยังไม่ได้มารู้ทำยังไม่ได้ทําอะไรรอกไม่ใช่ดอกทําได้ดูสึกตัวไปกับปลูกต้นไม้ลองดูมันจะยากขนาดไหนมันจะร้อนขนาดไหนมันจะเหงื่อไหลขนาดไหนบางทีเราปลูกต้นไม้อยู่โยงกัดมือก็เพื่อนก็จะมาไล่ ย, ยงุงกําลังประคองต้นไม้อยู่ก็ดูดเลือดเจ็บเจ็บโอ้ยดูสึกตัวเอาเอาเอาไปสักหน่อยซะโยงเอ้ย ไม่ต้องอะไรมันเ อ, อ้ากลัวจะวางมือและะ้วก็โทษโยงก็ไปกินเลือดไปแล้วเออไ้เป็นไรก็ทำใจทำใจทำใจทำใจเนาะ